ขอนอบน้อมต่อคุพนรโโพระตนตรัยคโอกาสพระอาจารย์ทรงศิลปและเพื่อนสัตยมิกทุกท่านขอเจริญพรมาชีและญาติธรรมทุกท่านในคืนนี้ก็ถือว่าเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งมกราคมพศออ2555ซึ่งก็เป็นสักรารใหม่ของเรา คืนนี้ก็ถือว่าเป็นคืนแห่งความสุขนะบางทีเราได้ยินเสียงความสุขลอยมานะเป็นคืนแห่งความสุข ท, ทุกคนก็มีความสุขกันทั้งนั้นเลยนะแม้แต่พวกเราก็มีความสุขนะเพราะว่าเราได้มาปฏิบัติธรรมนะล้วก็มาสวดมนต์ข้ามคืนกันข้ามปีกันนะอันนี้เป็นความสุขที่ปลอดภัยนะปลอดภัยด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะ ได้สิ่งต่างดีๆไปเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะว่าเรามาทําในสิ่งเหล่านี้กันนในปีที่ผ่านมาก็คือปีที่กัลยาจากเป็นนี่แหละมีเหตุการณ์ต่างๆที่นําความทุกข์มาให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวโลกเป็นอย่างยิ่งหลายๆเหตุการณ์นะออย่างของโลกก็มีของซึนามิอที่ถล่มญี่ปุ่นเนี่ยก็เห็นว่าตายก็ไปต้องเยอะแยะรุนแรงที่สุดใน ในรอบหลายๆปีของญี่ปุ่นนะจะรุนแรงที่สุดเลยก็ได้ถึงเก้าเก้าลิตรนี่รุนแรงที่สุดนะเสียหายมากมายนะคนตายก็แล้วก็บ้านช่องรถยนต์ไหลไปตามน้ำนะแล้วก็ยังมีเกิดนะลงไฟฟ้าประมณูรั่วอีกนะนะมีความทุกข์มากกับคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นนะแล้วก็มีเกิดนะก็เรียกว่า ปฏิวัตนะิหรือว่าสงครามกลางเมืองในตะวันออกกลางหลายๆประเทศนะตูนิเซียอียิปติเบียนะแล้วก็ประเทศอื่นต้องหลายประเทศเนี่ยก็คนตายกันมากมายพอมาเมืองไทยนี่ก็เคยไม่เคยเกิดสิ่งเหล่านี้มา ก, ก่อนก็เคยเกิดมามาเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะที่ว่ามีเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะแล้วก็หลายๆจังหวัดไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนื อ, เ, อเรียกว่าถ้าหากว่าปิงบางลมยมน่านไหลมาตรงไหนนั่นแหละตรงนั้นก็คือน้ําท่วมมารวมมาที่นครสวรรค์ก็น้าท่วมมาอายุธยาก็น้ําท่วมลงมาปทุมธานีนนทบุรีเข้ากรุงเทพเข้าธนบุรีนครปฐ ม, มสมุทรสาคร อ, ออกทะเลน้ําท่วมตลอดทาง อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงที่สุดในประเทศไทยนะสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเป็นความทุกข์ระทมที่ผ่านมานะทุกข์ระทมที่ผ่านมาแล้วจริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อหลา ย, ายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่มันเกิดขึ้นแบบเดี๋ยวจะเล่าตรงนี้นิดแล้วละกันอาจจะไปเล่ก แ, แปลกๆนะอย่างอย่างที่เคยฟังข่าวหรืออ่านข่าวมาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็บอกว่า มีเด็กชายคนหนึ่งที่เด็กชายปาบูเนี่ยก็สามารถที่จะระลึกชาติได้แล้วเมื่อ3ามสาหรือ38ปีก่อนอายุ5ขวบเท่านั้นเองอก็ได้ทำนายว่าจะเกิดเครื่องบินชนตึกเวิร์เทสปีพศไหนก็ตรงกันทั้งๆได้ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะแล้วก็ในเมืองไทยก็บอกว่าจะมีเกิดสึนามิปีพศไหนก็เกิดอพอดีในปีนั้น แล้วก็บอกว่าคืนวันนี้น่ะคืนวันนี้ก็คือคืนวันนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มก็จะเกิดอเขื่อนแตกคือเขื่อนผู้มิพลนที่จังหวัดตากเนี่ยจะแตกในคืนนี้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะเพียงแต่มาเล่าให้พวกเราฟังเล่ น, เลนๆเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์แปลกๆในโลกเนี่ก็มีอยู่มากมายนะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมืไหร่ยังยังซึ่งไม่ที่ใหญ่ๆก็เกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็น้ําท่วมใหญ่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะ เรมีคําทำนายหลายอย่างนะซึ่งจริงๆถ้าเทียบตามเขาเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ก็มีโอกาสเป็นไปได้พทุกวันนี้โลกร้อนมากเลยโลกนี่ร้อนมากแล้วก็น้ําแข็งจากขั้วโลกเหนือก็ละลายนะทําให้น้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมใหญ่ก็โอกาสอาจจะมีอยูนะ่นี่ก็คือสิ่งที่เป็น อ, อาจจะเป็นสิ่งเราไม่ควรจะประมาทใน อ, อนาคตของเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อปีใหม่ กัลยาณมานี่เราจะทำอะไรนะทำอะไรอันนี้ก็คือคำถามที่นายจะถามตัวเราเองว่าเราจะทำอะไรในปีใหม่ก็คือเมื่อปีเก่าเนี่ยเราทำอะไรที่มันไม่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีที่เราคเคยทาในปีเก่าเราก็คือทิ้งไว้ในปีเก่าตัวเราก็เริ่มต้นทาในสิ่งที่ดีในปีใหม่แทนนะ เ, เช่นเราอาจจะ เ, เคยดื่มเหล้าเคยสุบูลีนะเราก็เลิกเสียปีใหม่เราตั้งใจว่าเราจะทา โดยการที่เราไม่ดื่มในสิ่งเหล่านี้นะไม่สูบในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะชีวิตเราจะมีความเปลี่ยนแปลงนะไม่ก็มันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรดีขึ้นหรอกใช่ไหมปีเก่าปีใหม่จริงๆมันก็แค่ข้ามคืนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราคิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนีอันนี้นะชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตเรามันไม่น่าไม่นอนนะอย่างที่เมื่อกี้เล่าเวลาน่ยว่าอะไรมันก็ไม่น่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรคํานึงอย่างหนึ่งว่า ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็ใกล้ออกับความตายไปทุกๆ์ทุข์ขนาอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราคํานึงในสิ่งเหล่าเนี้ยเราจะไม่ประมาทในชีวิตเลยพระพุทธเจ้าได้ทรงถามพระนนท์บอกว่าอนั น, นทาดูกะอนนนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนนท์บอกว่าข้าพรองระลึกถึงความตายวันละเจ็ครั้งพระพุทธเจ้าบอกว่าน้อยเกินไปอาอ น, นตถาคตร ะ, ะลึกถึงความตายทุกลบหายใจเข้าออกนขณะขณะพระพุทธเจ้าก็ยังระลึก ถึงความตายทุบหลอหายใจเขาออกเลยนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เตือนใจเรานะว่า <c oughs> เราไม่ควรจะประมาทในชีวิตนะว่าตอนนี้เรากาลังหนุ่มสาวอยู่นะหรือเรายังเป็นคนแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะหรือว่าชีวิตเรายังมีอีกยาวเรากำลังมีความสุขเราังไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้อันนี้พระพบูชาบอกเป็นความประมาทนะความประมาท ข้อความตายในยไม่รู้ว่าจะเกิดกับเราเมื่อไร น, นะไม่รู้ว่าจะเกิดกับเราที่ไหนเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะประมาทไม่ได้มันเกิดได้ตลอดเวลาอย่างที่ว่าเหตุการณ์ต่างๆใ น, เ, นเกิดขึ้นได้ไม่น่ไม่ไมไมนอนนะทุกทุกแห่งนะอย่างช่วงปีใหม่นี่แหละถ้าคนประมาทนิดเดียวก็มีโอกาสที่จะประสบสิ่งที่เสียหายถึงชีวิตได้อ่าอย่างไม่คาดคิดนะเดี๋ยวก็เล่าเรื่องตัวเองนิดนึงก็แล้วกันก็สมัยก่อนอก็นหลายปีแล้วละตอนเป็นคารวะอยู่อะ่ะ ก็นั่งนั่งรถทัวร์นะนั่งรถทัวร์ไปในพศยุซาเนี่แหละเป็นช่วงกลางวันนะประมาณสักบ่ายสองโมงปรกากฏคนในรถนี่หลับกันแทบทั้งคันเลยเพราะว่าหันไปดูนอนหลับกันหมดเลยนะะตัวเองก็ก็นั่งหลับตาด้วยแต่ว่าไม่ได้นอนหลับนั่งหลับตาไปแหมคนนี้รู้สึกว่ารถมันวิ่งยังไงแปลกๆ ก, ก, ก็เลยลืมตา ม, มาดูนะปรกากฏรถนี่ไปชนชนรถคั น, ข, น ข, ข้างหน้า มีรถชนอย่างข้างหน้ารถคันนี้ก็เลยหลบรถที่อาตมานั่งก็เลยหลบไปทางข้างซ้ายเพราะหลบไปข้างซ้ายก็เลยเสียหลักเพราะวิ่งมาเร็วเสียหลักก็พลิกคว่ำพลิกคว่ำอย่างแรงนะก็บอกว่ามีคนตายไปสองคนแล้วก็บาดเจ็บห ม, หมดทั้งคันเลยลก็คือคนที่นอนหลับทั้งหมดก็เรียกว่าทั้งตายและบาดเจ็บทั้งคันแต่ดโชคดีว่าพอดีตอนนั้นตื่นคือไม่ได้ตื่นเราก็คือลืมตาสกรก็เลยเห็นเหตุหการณ์ พอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บก็เลยรู้ว่าเออมันต้องเกิดบัติเหตุแนะ่นอนก็เลยดูมือจับข้างหน้ารถนะคือเบาะที่อยู่ข้างหน้าเขาจะมีมือจับอยู่แล้วก็มือในจับเบาะข้างหน้าเนี่แหละพอรถมันพลิกคว่ำไปก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวเราไม่เป็นไรเพราะมือจับที่เอาะจับที่มือจับที่เบาะข้างหน้าอยู่แต่คนที่ไม่ได้จับหรือนอนหลับนี่กิ้งลงไปข้างล่างพุ่งไปข้างล่างเป็นแถวเลยนะออันนี้เราก็คือว่า ในการเดินทางต่างๆเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้นะเพราะนั้นเวลาหลังอย่างนั้นมานะเวลาจะเดินทางไปไหนท่านนั่งรถทัวร์เนี่ยจะสังเกตว่าเออมีมือจับอยู่ตรงไหนบ้างมือจับตรงไหนถ้าหากว่าไม่มีมือจับอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะคิดว่าเออถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะมือกอดเบาหรือว่ามีมือจับที่ไหนตักแขงเนี่ยก็จะจะเลงไว้ก่อนจะนึกยืนอย่างนี้ประจํานะจะต้องเลงไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทนะ เวลาไปไหนก็แล้วแต่จะสังเกตอยู่ประจําเวลานั่งเรือดูว่ามีห่วงชูชีพตรงไหนไหมมีอะไรไหมอันนี้ก็คือจะสังเกตในจุดนี้เนะี่ยเราจะไม่มีความประมาทในตรงนี้เนะี่ยชีวิตเราเนี่ยต้องอย่าไปประมาทนะไว้ใจสต่งต่างๆไม่ได้นะนะีครั้นี้เมื่อเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยสิ่งเราจะต้องทําอย่างไรต่อไปในชีวิตหรือในปีหน้าเหล่านี้นะนะก็คืออะไรที่ดีๆเราก็ทําในสิ่งนั้นอะไรไม่ดีก็อย่าไปทําเท่านั้นเองนะ สิ่งดีๆในมีมากมายเลยนะมากมายอ่าชอย่างเช่น เ, เ, เราอยู่วัดเนี่ยเราก็ทําได้ในหลายๆอย่างนะช่วยลงครัวก็ได้เก็บก ว, า, วาดกวาดใบไม้เก็บขยะนะสิ่งต่างเหล่านี้ทําได้เป็นบุญทั้งหมดอย่างเช่นนะเมื่อสองวันที่ผ่านมารนะวมทั้งวันนี้ด้วยเนี่ยนะก็ยังมีกลุ่ ม, ก ล, มกลุ่มหนึ่งก็ตามตามตา ม, ตามพระที่ไปบินป่าที่วังเขยอยู่กลุ่มนึง ปรากฏ่ามีอยู่สองคนเก็บขยะตลอดทางเลยนะเก็บขยะเยอะแยะเลยแล้วก็มาทิ้งอันนี้โอ้อันนี้เขาฉลาดนะคือเรารู้จักเก็บบุญเก็บบุญเป็นคนฉลาดก็คือไม่ไม่ยอมเสียไปแม้นนิดเดียวอะไรที่มันดีๆก็ทําไปเถิดนะทําไปมันจะไม่เสียหายไปไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าความดีหรือบุญทั้งหลายแหล่นะมันไม่ได้หายไปไหนมันจะลึกอยู่ที่ไหนนะอ่า สมัยโบราณบอกว่าบุญหรือบาปเนี่ยถ้าเป็นบาปเนี่ยก็จะจารึกในหนังหมานะบุญจะจารึกในแผ่นทองคำไอ้เดี๋ยวนี้หนังหมาจะไปหาที่ไหนไปอยู่ท่าแรกกันหมดแล้วนะแผ่นทองคําก็แพงมากนะบาทละสองหมื่นกว่าแต่จริงๆแล้วจารึกที่ไหนก็คือจารึกในจิตใต้สํานึกของเรานี่แหละไม่ได้หายไปไหนเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นกรรมที่พร้อมจะให้ผลกับเราในอนาคต เขเรียกเมื่อเราสร้างกรรมแล้วก็จะมีวิบากเกิดขึ้นนะวิบากวิบากก็คือกรรมที่มันจะให้ผลนานาคนนั่นแหละเขเรียกวิบากนะแล้วจริงๆทุกวันนี้มันก็พิสูจน์ได้นะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างก็นละกันคนเราในลายมือจะไม่เหมือนกันนะลายมือไม่เหมือนกันไม่มีใครลายมือเหมือนกันหรอกนะเพราะฉะนั้นวิธีการของทําตำรวจก็เลยพิมพ์ลายนิ้วมือแสดงว่าทุกคนในลายมือไม่เหมือนกันนะ การที่ลายมือเหมือนกันเขเรียกว่าเป็นกรรมต่างคนต่างสร้างมาไม่เหมือนกันนะนะเช่นลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันนะทำไมไม่เหมือนกันนะบางคนก็เกง่งบางคนฉลาดนะอีกคนเนี้โง่นะแล้วก็ขี้เกียจนะต่างกันอย่างยังกระฟ้ากระเหวอะไรทานองนี้นะก็เกิดจะกกรรมแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่า DNA คนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะ ไม่มีใครเหมือนกันนะ DNA คนเราเนี่ยเพราะนั่นเองนี่เขามีการพิสูจน์ไงเช่นจับจับผู้ลายได้จะพิสูจน์ว่าเป็นผู้ลายจริงหรือเปล่าเขาก็ตรวจ DNA ได้แสดงว่า DNA คนเราไม่เหมือนกัน อ, อย่างเช่นในสหรัฐ เ, เมื่อไม่นานมานี้ก็ปรากฏว่าทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์บอกว่ามีมีผู้ผู้ที่ทำผิดบ่อ ย, อยนะที่โดนขังคุกเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกมา แล้วก็ไปทำผิดอีกเนี่ยหลายคนประก็มี DNA เนี่ยคล้ายกันมีส่วนเหมือนกันอยู่กลุ่มหนึง่งนะแล้วก็ผู้ที่ชอบทำบุญบ่อยๆนะชอบทาบุญบ่อยๆก็จะมี DNA คล้ายกันอยู่ส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็แสดงว่าจริงๆแลนะกรรมที่เราเคยทำในอดีตนะมันไม่ได้หายไปไหนแต่จริงๆแล้วมันก็จารึกอยู่ใน DNA นั่นเองนะแล้วเอนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าลึกลับมากวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่พวกมีความยาวมากเลยดีเนเอี่คือทางวิชาการว่ามีความยาวตั้งแต่โลกมนุษย์ไปจนถึงดวงอาทิตย์ไปกลับนะจริงๆแล้วก็หลรอบด้วแต่ยังไม่เชื่อคิดว่าแค่รอบเดียวพอแต่จริงๆบอกว่าหลรอบเพราะว่ากรรมคนเราเนี่ยไม่ได้หายไปไหนว่าเป็นความดีหรือความชั่วนี่มันจะลึกในจิตของเราทั้งนั้นเลยเราจะไปคิดว่าเออเราทําทําบาปแม้แต่เพียงเล็กน้อยไม่มีใครเห็นแต่จริงๆแล้วมันอยู่ภายในตัวเรานี่แหละในจิตตาสํานึกของเรา หรือเราทำเล็กน้อยไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรมันจ่าลึกในจิตใต้สํานึกเราทั้งสิ้นแล้วพร้อมดีจะให้ผลกับเราในอนาคตต่อไปนะเพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้ก็คือนอกจากเราไม่ประมาทแล้วนะก็คือสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าทำํนะทำทําแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นเนะี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราตั้งใจอย่างนี้ว่าในเมื่อเราต้องตายแล้วนะก็คือคนเราเนี่ยนะเมื่อเกิดมาแล้ก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนี่เราหนีไม่พ้นแน่นอน เราลองชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยอยู่กันไม่เกินห้าสิบปีหรอกไม่เกินห้าสิปีนะหรือบางคนจะเหลือแค่ยี่สิบปีสามสิบปีบางคนจะเหลือแค่ไม่เกินสิบปีก็ได้นะเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แล้วเนี่ยให้ให้มีประโยชน์อย่างไรนะมีประโยชน์อย่างไรให้มากที่สุดอันนี้ในทางพุทธศาสนานต้องยืนยันในเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างหนึ่งว่าตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเราต้อง ไปเกิดในภพชาติใหม่อย่างแน่นอนนะมีกิเลสอยู่เพียงนิดเดียวเนี่ยต้องไปเกิดใหม่แน่นอนเหมือนกับต้นไม้นี่แหละที่มันสูงถึง30เมตรนี่แหละก็มาจากเมล็ดพันธุ์เพียงเล็กนิดเดียวแต่ยังมีเชื้ออยู่เมื่อลงไปในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใดจิตคนเรานี่แม้แต่มีกิเลสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะก็เป็นเชื้อให้ไปเกิดใหม่ได้ฉันนั้นไนงะการเกิดนี่ก็ ไปเกิดในสารเดชภูมิแลไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ตลอดไปบางครั้งอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดชฉานเป็นเปรตสุรกายเป็นสัตว์นรกบ้างหรือเป็นเทวดาเป็นพรหมบ้างอันนี้ก็อยู่กับเราทํากรรมอะไรมานะอย่างคําที่ว่าในพุทธศาสนาบอกว่าเออถ้าผู้ใดมีความโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตมีความโกรธก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกมีความหลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดชฉานอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่จริงนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตัดว่าอย่างนี้ว่าจิตเตสังเลเทถทุกขติปาติังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติไปนันหวังได้นะจิตเศร้าหมองคือจิตที่มีอารมณ์ที่เต็มด้วยความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนะเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วก็ไปสู่ทุขติทุกติมีอะไรบ้างทุกติก็มีสัตว์เดี้ยง้านเปตอสุรกายสานันนรกนียมันก็ไปในแบบนี้เลยนะ เพราะนั้นถ้าหากว่าจิตคนเราเนี่ยเคยสั่งสมอะไรบ่อยๆนะเขาเรียกว่าเป็นอาจินตกรรมเช่นเราเป็นคนขี้โกรธบ่อยๆนะขี้โกรธบ่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าเมื่อเป็นอาจินตกรรมแล้วเนี่ยมันจะมาส่งผลตอนไหนส่งตอนที่เราใกลายตายนะั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะาเรียกว่ามันเป็นอนุสัยกิเลสแล้วเนี่ยคนที่โกรธบ่อยๆมันจะเป็นอนุสยัยอนุสัยคือความเคยชินในลมเหล่านั้นมันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ในจิตแล้วนี่เองนะ พอจิตเรานี่เกิดตอนจะตายปุ๊บอนุสัยตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเกิดความโกรธความหน่งหงิดความไม่พอใจเกิดมาปั๊บเนี่ยโอกาสไปสู่นรกเนี่ยมีมากเลยนะเพราะฉะนั้นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก <c oughs> บางคนเนี่ยสมัยก่อนมีมี ม, มีมีคนที่รู้จักคนหนึ่งโดนยิงตายคือคนนี้ก็ชอบไปวัดอยู่แล้วนะโดนยิงตายเขาชอบไปวัดไปทําบุญหรือว่าไปไปบัติธรรมแบบอยู่บ่อยๆ แต่ว่าเขาโดนยิงตายแล้วประกวดแล้วเขาโกรธนะเขาโกรธอันนี้ก็ตอนนั้นก็คิดว่าเขาต้องไปเกิดในทางไม่ดีแนะ่นะครั้นพอดีคุณแม่ก็ก็ไปตามว่าต่างๆไปถามพระที่พอจะรู้เรื่องที่ลึกลับอะไรเงี้ยพระไปเกิดในทางไม่ดีคล้ายๆว่าลมนรนะกนะก็เลยทําบุญใหญ่เลยนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าเขาในขณะที่เขาจะตายนะเขามีความโกรธอยู่นะมันก็นําไปสู่นรกก็อย่างที่พูดเจ้าเจ้าบอกไว้นั่นแหละ จีเศร้าหมอก็ไปศูนย์นรกอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นอนุสัยอย่างหนึ่งที่เราอย่าไปฝึกในตรงนี้นะถ้าไปฝึกคือว่าเราไม่ได้ฝึกหรอกแต่ว่าเราปล่อยให้มันมีอยู่หรือแสดงบ่อยๆมันก็จะเป็นอนุสัยที่จะนำให้เราไปสู่ในทางที่ไม่ดีนะหรือบางคนที่เคยตีไก่ ก, กันพระก่อนตายก็เอานิ้วมาชนกันนิ้วหัวโป้งมาชนกันนะอันนี้ก็เป็นอาตกรรมที่ต้องไม่เกิด ในทางไม่ดีแน่นอนนะหรือม่นั่นในครั้งพุทธกาลจะมีชาวบ้านมาบอกพระเจ้าบอกว่าทาไมบ้านนั้นนะ่ะถึงมีเสียงหมูลองอยู่ตั้งหลายวันแล้วเนี่ยแล้วไปดูในปรากฏการเป็นคนเป็นคนคลายแบบหมูเลยเนี่ยเราองลองเสกเป็นหมูเนี่ยลองมาหลายวันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละเพราะเขามีอาชีพฆ่าหมูเนีเพราะนั้นอีก7วั น, นอีกไม่กี่วันเนี่ยก็คือภายในเวันนี้เขาจะต้องตาย แล้วผลกรรมนั้นก็แสดงในปัจจุบันนี้แล้วว่านะอนาคตเขาจะไปเกิดเป็นอะไรนะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจในตรงนี้ว่าจิตของเราถ้าหากว่าเราสั่งสมหรือว่าแสดงออกในทางไม่ไดีบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นอนุสัยก็คือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็จะนําไปสู่บใบภูมิน ะ, ะผู้ที่โลภก็ไปเกิดเป็นเปรตผู้ที่โกรธก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก ผู้ที e ah s, <S yeah, known, yeah. ่หลงก็เกิดเป็นสัตว์เดฉานอย่างสัตว์เดชานนี่ก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่ชอบดื่มเหล้านะดื่มเหล้าแล้วถ้ามีในสมองนี่ก็มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วเกิดตายในขณะนั้นน่ะก็คือผู้ที่เป็นคนที่หลงอยู่แล้วนะมีแอลกอฮอล์เป็นคนที่หลงไม่มีสติเนี่ยต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดฉานนะแต่ถ้ามีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะเกิดเป็นคนบรรยาอ่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่กินเหล้าก็ต้องระวังต้องระวังให้มากๆนะ อันนี้ก็คือนะสิ่งเราเนี่ยเราจะไปประมาทไม่ได้เลยนะว่านะบาปบุญพวกนี้ไม่มีจริงนะเราต้องเชื่อในตรงนี้แล้วหลังนั้นเราก็ต้องมีความคิดอีกว่าเ อ, อช่วงเวลาที่เราเหลือเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราจะทำอะไรนะสิ่งเราต้องทําก็คือนะเราจะต้องทําให้กิเลสในใจเราเนี่ยให้น้อยลงไปที่สุดยิ่งน้อยลงไปเท่าไหร่ภพชาติเราจะสั้นลงไปเท่านั้นนะยิ่งถ้าเรากิเลสเยอะเนี่ยภพชาติมันจะยาวนะ แต่ถ้ากิเลสในใจเราเนี่ยลดน้อยลงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยลดน้อยลงเนี่ยพบชาติก็จะสั้นเข้าจนแม่ที่สุดว่าถ้าเราสามารถที่จ ะ, ะละกิเลสให้ไปพอสมควรแล้วเขาเรียกว่าละไปประมาณยีแล้วเนี่ยเราก็จะได้เกิดเป็นโสดาบันคือว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นโสดาบันนะโสดาบันนี่ก็เกิดอีกแค่เจชาติเท่านั้นเองคือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาไม่เกินเจดชาตินะแล้วถ้าหรือไม่ก็เป็นสกิทาคามีนะ แต่ถ้ากินเลหราลดไป 50% แล้วเนี่ยเราก็เป็นพผ้านาคามีนะก็เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอยู่ในพรมเนี่ยอีกเพียงชาติเดียวเราก็สามารถที่จะนิพานบนชั้นพรมได้ไม่ระงับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะแต่ถ้าเราละ ก, กินเลได้ร้อ็นี่เราก็ไม่ระงับมาเกิดใหม่นะอันนี้ก็แสดงว่ากิเลคนเราเนี่ยสามารถที่จะลดลงไปได้นะเหมือนกับพระอรหันนี่แหละพระอรหันนี่ก็มาจากปุรุชนก่อนนะท่านก็มีกินเลสมาก่อนแต่ท่านสามารถที่จะ กําจัดกิเลสของท่านเนี่ยให้ลดน้อยลงจนท่านหมดเปในที่สุดอท่านก็เป็นพระอาหารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่นะอันนี้ก็คือเราเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้ทุกทุกคนนะโดยพระผู้ที่มารวมกันในที่เนี้ก็มีความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีบุญเพราะถ้าไม่มีบุญเนี่ยไม่มาแน่นอนนะเพราะว่าโอ้ถ้าเราไปเที่ยวในทุกวันนี้มีที่เที่ยวเยอะๆเลยทางภาคเหนือคนก็ไปกันเยอะอที่ต่างๆมีที่เที่ยวเยอะๆแต่เรามาวัดกันแสดงเรามีบุญในตรงนี้แล้วเนี่ย การที่เรามีบุญก็เพราะว่าเมื่อชาติก่อนนะถ้าเราเคยให้ทานเนี่ยเราจะเป็นคนรวยนะถ้าเรารักษาศีลเนี่ ย, ยก็จะเป็นคนสวยนะหรือเป็นคนหลอ่อถ้าเราภาวนาหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเป็นคนมีปัญญามีปัญญาหมายความว่ามีปัญญาในการที่จะหาคนทางแห่งความพทุกข์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในวัดเนี่ยแสดงว่าเรามีปัญญาที่จะหาคนทางแห่งความพทุกข์แล้วเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเรามาได้ถูกทางแล้วครั้นี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราทําอย่างไรต่อนะ ก็คือเราต้องมาปฏิบัติธรรมนั่นเองนะปฏิบัติธรรมนีนจริ ง, รงๆก็มีหลายวิธีการมากเลยเนะี่ยมีวิธีกา ร, กราต่างๆนะเยอะแยะอานาปานสติบ้างพองยุบบ้างพุทโธบ้างนะหรือเจริญสติบ้างมีหลายๆวิธีการนะแต่ครั้งนี้วิธีไหนที่มันจะมาตรงกับเรานะก็คือเมื่อเราปฏิบัติในวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตว่ากิเลสเราแล้วลดลงไปบ้างไหมเนี่ยความโลภความโกรธความหลงในลดลงไปบ้างไหมนะ หรือปฏิบัติแล้วเนี่ยเรายังมีความโกรธเท่าเดิมอยู่หรือมีความโกรธมากกว่าเดิมนะถ้าเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออความโกรธเราทำไมยังมีเท่าเดิมหรือมีเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ถูกทางหรือไม่ตรงกับจริตในวิธีการนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องหาวิธีให้มันถูกต้องนะถ้าเราปฏิบัติวิธีเก่ามันต้องไม่ก้าวหน้าแ น, น, น่นะอนนะเพราะว่วิธีอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เพียงแต่ถ้เราปฏิบัติให้ตรงกับจริตเราเท่านั้นเองนะก็คือปฏิบัติแล้วเนี่ยมีความสบายในนนนตรงั้ มีความสบายกิเลสในใจเราก็ลดลงความโลภความโกรธความหลงลดลงก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยคราวนี้วิธีการที่เรามาเจเริญสติเนี่ก็คือเป็นวิธีที่วิธีการหนึ่งที่เราสามารถกลับมารู้รู้กายรู้ใจของเราได้นะวิธีการรู้กายรู้ใจนะเพราะว่าจริงจิตรการปฏิบัติรำทั้งหมดนะก็เพื่อกลับมารู้กายรู้ใจเท่านั้นเองหรือว่ารู้เนื้อรู้ตัวถ้าแปฏิบัติทำแล้วเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยก็แสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่ได้ผลน แต่เมื่อปฏิบัติแล้วเรากลับมาเออขณะนี้เรารู้เนื้อรู้ตัวนะรู้จิตรู้ใจของเราขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยขณะนี้กำลังคิดอะไรอยู่ขณะนี้กําลังมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดมีความเกลียดความกลัวมีความรักความชังมีความอิจฉามีความหึงหวงมีความน้อยใจมีความเหงามีความเครียดเรารู้ทันไหมนะถ้าเรารู้ไม่ทันก็แสดงว่าเรายังไม่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลนะ แต่ถ้าเร reopen, าเราู้ทันว่าขณะ น, นี้เรากลังมีลมเกิดขึ้นอะไรเกิด <ๆ S 2> ขึ้นกำลังลักกำลังชังกาลังพอใจไม่พอใจเรา tails, เรู้ตรงนี้แหละชื่อว่าเราสามารถปฏบัตธร ร, ร, รรมได้แล้วเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะกลับมารู้ตัวเองได้การกลับมารู้ตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะเมื่อกลับมารู้จักตัวเองได้แล้วเนี่ยก็คือเท่ากับรู้เรารู้เท่าทันกิเลสของเราแล้วพอเรารู้จักกิเลสรู้จักเท่าทันกิเลสเราแล้วเนี่ย โอกาสที่เราจะชนะกิเลสเราเนี่ยมันก็ไม่ยากนะแต่เราไม่รู้ไม่รู้เท่าทันกิเลสในใจเราโอกาสจะชนะมันจะยากมากนะหรือไม่มีทางที่จะชนะเขาได้เลยเพรา ะ, ะนั้นแค่เรากลับมารู้จักกิเลสในใจเราเท่านั้นเองนะโอกาสจะชนะเนี่ยมีมากแล้วนะมีมากถึงเกินกว่า 50% เอีกเพรา ะ, ะนั้นการที่เรากลับมารู้จักว่าเออขณะนี้เรากำลังมีลมอะไรเกิดขึ้นนะความรักความชางังความโลภความโกรธความหลง ความเครียดความเหงาความกลัวความมีชา้าความหึงหวงแค่รู้จักตรงนี้เท่านั้นเองนะกิเลสในใจเราเนี่ยจะลดลงทันทีนะรู้จักแค่านั้นเองเหมือนกับถ้าเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินงชาแห่งหนึ่งนะจะมีคนเนี่ยเข้ามาขโมยของในร้านเราเนี่ยอยู่หลายคนเราไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็มีความทุกข์นะแต่เราเริ่มรู้แล้วเออขโมยนี่หน้าตาแบบนี้นะพอเวลาเขาเข้ามาปุ๊บเราก็ดูหน้าเขาเนี่ย เขาอยู่ในร้านเราเนี่ยไม่ได้ต่อไปเขาหนีทันทีเลยนะแล้วทีหลังก็จะไม่กล้าเข้าร้านเราเพราะนั่นกินอะไรก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเขาเขาก็มามาสรริงสถิตอยู่ในใจเรานะแล้วก็มาแสดงความไปเจ้านายใ น, ในใจเราเต็มที่เนะี่ะเราอยากก็ได้เราเขาอยากก็ได้อะไรเขาก็นําให้เราไปเอาสิ่งนั้นนะ อ, อยากกะเที่ยวไหนนะเขาก็นําเราไปทันทีอยากกิกนอะไรเขานําเราไปทันทีนะ อยากจโกรธใครเขาสแสดงทันทีนี่คือตันหาในใจเราเราไม่รู้จักเขาเขาเริ่มมาเป็นเจ้าหนายเหนือใจเรานะแต่เราเริ่มรู้จักแล้วโอ้ยนี่มันมันเป็นแบบนี้นะนี่มันไม่เป็นคนไม่ดีน ะ, ะเป็นเพื่อนเทียมนะพอเรารู้จักงี้ปั๊บเนี่ยเขาอยู่ในใจเราไม่ได้นานนะอยู่ไม่ได้นานหรอกเขาหนีเลยนะเรารู้แล้วว่าความโกรธไม่ดีแค่เรารู้จักเขาจริงๆเวลาเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้จักเขามองมองดูเขา แค่รู้เฉยๆนะเขาอยู่ในใจเราไม่ได้เ้าหนีทันทีเลยนะเนี่ยแค่เรากลัำรู้จักเขาเท่านั้นเองนะแล้วคำว่ารู้เนี่ยก็คือรู้เฉยๆก็พอแล้วนะไม่ต้องอยากเข้าหายไปหรอกเพราะจิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ละขณะเท่านั้นเองนะจิตเกิดขึ้นแต่ละขณะนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นนั่นเองเขาเรียกว่าอากุศลจิตเพราะฉนั้นเมื่อเมื่อเรารู้เนี่ยหรือความรู้ตัวเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยตัวนี้จะเป็นกุศลจิตนะกุศลจิตนะ เมื่อกุศลละจิตเกิดขึ้นแล้วอกุศลก็จะดับไปทันทีนะมันจะดับไปเลยนะเพราะฉะนั้นความโกรธก็จะหายไปนะแต่ถ้าเมื่อเราไม่มีความโกรธขึ้นแล้วเราอยากจะให้เขาหายเรารู้แล้วเราอยากเขาหายตัวนี้ก็คื อ, อความโลภอีกตัวหนึ่งนั่นเองมันก็เป็นอกุศ ล, ลจิตซึ่งมันเป็นกลุ่มอกุศลเดียวกันเพราะนั้นความโลภมันจึงไม่หายไอ้ความโกรธจึงไม่หายไปนะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นคือเรารู้เฉยเฉยก็พอแล้วนะรู้อะไรก็รู้เฉยเฉยก็พอเพราะการรู้เฉยเฉยนี่ก็คือกุศลจิตนะ แล้วการรู้ว่าเฉยๆเนี่ยหลวงมาเทียจะพูดว่ารู้ซื่อๆนั่นเองรู้ซื่อๆนี่ก็เป็นภาษาอีสานนะภาษาไทยบอกว่ารู้เฉยๆคำว่ารู้เฉยๆนี่จริงๆนั้นคืออะไรนะรู้เฉยๆในจริงๆก็คือแค่สัมผสัสแรกในการรู้เท่านั้นเองนะเช่นมีใครเข้ามามาดาามา่าเร า, า, เามานินทาเราถ้าเขามานินทาเราเนี่ยเรารู้เฉยๆเราไม่คิดอะไรต่อเนี่ยเราก็ไม่โกรธนะแต่ถ้าไปคิดปับ๊บเออเขาด่าเราทําไมเรื่องแค่นี้ทําไมต้องมาด่าเรา เราจะโกรธทันทีเลยนะหรือใครมาชมเราเหมือนกันนะชมเราถ้าเรารู้เฉยเฉยเราก็ไม่ยินดีแต่เราไปคิดเออเขาชมเรา เ, เราเราดีจังเลยปุ๊บเราก็มีความพอใจในจุดนั้นเนี่ย น, นี่เขาเรียกว่าไม่รู้เฉยเฉยแล้วเพราะเราไปคิดต่อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคาว่ารู้เฉยเฉยก็คือสัมผัสแรกแล้วไม่ได้ไปคิดต่อรู้แล้วก็จบตรงนั้นเออจบตรนั้นไปเลยไม่ได้คิดต่อนี่เขาเรียกว่ารู้เฉยเฉยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ถึงแม้เราคิดต่อแล้วมีความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือมีความพอใจเกิดขึ้นก็แล้วแต่เรารู้ในขนาดไหนเราก็ทิ้งในขนาดนั้นก็แล้วกันนะแล้วก็วางไปเลยคืออย่าไปให้ค่ากับเขาต่อไม่ต้องไปคิดคํานึงต่อคือไม่ต้องไปคิดต่อนั่นเองเพอะเรารู้ว่าขณะนี้เรากําลังมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปคิดต่อไม่ต้องไปให้ให้ค่ากับความคิดนั้นต่อไปให้มันหยุดไปเนี่ยแค่นี้ก็คือการที่เราวางลมต่างๆแล้วนะแล้วมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะไม่ก็จะมาตรงกับที่อ่า มาลุงอยบุตรถามพระเจ้าบอกว่าข้าพระ อ, องค์เนี่ยยุกมากแล้ว <c oughs> ควรจ ะ, ะปฏิบัติธรรมอย่างไรจรึงได้ผลจึงได้ผลเร็วพระเจ้าบอกว่ามาลุงอยบุตรเธอเธอย่าเพลินในลมต่างๆให้วางลมต่างๆ ใ, ให้เร็วมากกับกะพริบตาฉะ น, นั้นนะคําว่าไม่เพลินในลมก็คือเราวะละวางลมต่างๆนั่นเองนะไม่เอารมแล้วก็ให้เร็วมานกับกะพริบตาฉะ น, นั้นนะ คำว่าเร็วมันกับกะพริบตาก็คืออะไรก็คือรู้เฉยเฉยนั่นเองนะรู้เฉยเฉยก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะแค่เรารู้นะ่ยรู้เฉยเยอย่าไปคิดต่อมันก็หยุดแล้วนั่นแหละคือการเร็วเท่ากับกระพริบตาแต่ถ้ามันมีความโกรธหรือความไม่หรือความพอใจเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ปับ๊บล้วก็หยุดคิดไปนะหยุดคิดเท่านั้นเองมันก็จะเป็นการวางอารมณ์เหล่านั้นได้อีกครั้งหนึ่งทันทีนะก็คือเราหยุดคิดเนะนีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาตรงกับตรงนี้ว่าพระเจ้าก็แสดงธรรมต่อไปว่า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 ถ้าเราได้ยินคนเขาด่าเรานะแล้วเรานะ่ะมีความโกรธเกิดขึ้นนี่แหละก็คือเราไม่รู้เฉยๆแล้วนะี่แต่เมื่อเขาด่าเราเราแค่ลุยเฉยปุ๊บเนี่ยความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นนี่แหละคือสักแต่ว่านะเพราะนั่นนี่ก็คือจุดนี้ว่าในปีใหม่นี้นะเราต้องหาหนทางที่จะออกจากกองทุกต่างๆให้ได้ด้วยก็คือละกิเลสในใจเราเนี่ยให้น้อยลงให้มากสุดวิธีการละให้กิเลสให้เร็วก็คือ เราแค่รู้เท่าทันกิเลสเหล่านั้นนะรู้ความโลภความโกรธความหลงในใจเราเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องวางให้เร็วมืนกับกระพริบตาฉันนั้นวิธีการที่จะละวางเร็วมืนกับกระพริบตาคืออะไรก็คือการรู้เฉยนั่นเองรู้เฉยคืออะไรก็คือไม่ต้องไปคิดต่อแค่นี้เองนะเนีเราก็จะออกจากกิเลสเออกจากความทุกข์ต่างๆได้นะอันนี้ก็คือหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมที่เราจะมีในปีเราต่อไปนะแล้วอันนี้ก็คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ ที่เวลาที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเหลือกี่ปีก็ตามอันนี้ชื่อว่าเราจะไม่เกิดมาเสียชาติเกิดนะอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในชีวิตเราแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วน ะ, ะในท้ายสุดนี้นะในโอกาสที่จะถึงปีใหม่ในวันพรุ่งนี้พศ2555จะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระพุทธธรรมประสงค์และสิ่งอสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมาดลบันดาลให้ทุกท่านนะ ประสบด้วยจตุปลพิภพรชายสิทคืออายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนาาสารสมบัติและถึงซึ่งความพ้นทุกขเจริญด้วยเสียงสติสมาธิปัญญาถึงพระนิพพานโดยเรลวทุกท่านเทิน